ขอความเจริญในธรรมจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปู่บุยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาธิห้าประการก็คือเหตุเพิ่มพูนให้เกิดสมาธิที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นก็จำแนกแสดงไว้เป็นห้าระดับด้วยกันแต่ว่าทั้งหมดที่จริงก็เป็นเรื่องของศีลสมาธิกัญญานันเองก คือข้อแรกก็เริ่มที่ศีลการสำรวมระหว่างรษากายวาจาของตนเองให้เรียบร้อยไม่เป็นโทษต่อตอนเองแล้วก็โทษต่อบุคคลอื่นประการที่สองนั้นเป็นเรื่องสุตตะคือการศึกษาเรียนรู้การสดับสับฟังการพัฒนาปัญญามาจนถึงจุดที่เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ ส่วนวลีทันชายกับมาทิติยาสุปฏิวิทาคือครบเจาะเรื่องเหล่านั้นด้วยทิฏฐิคือความคิดเห็นของตนและประการที่สามก็คือสนทนากันและเปลี่ยนความคิดความเห็นกันในกรณีที่ฟังคนอื่นสื่อสารข้างเดียวเนี่ยก็เรียกว่าสุดตัแต่ว่าถ้าสื่อสารทั้งสองทางก็เรียกว่าสนทนา อาการต่อไปนั้นเป็นเรื่องของสมถะก็ที่จริงก็สงบลึกลงไปกว่าเดิมคือสีนั่นแหละแต่มันสงบลึกลงไปกว่าเดิมเป็นความสงบที่เข้าถึงใจระดับหนึ่งก็เป็นธรรมะทั่วไประดับที่สองก็เป็นสมถะก็หมายความว่าสงบได้ตรับจับตรับเท่าที่อยู่ในสมาธิคือสงบได้นานกว่า บระเด็ในที่นี้ก็ใครจะเสนอธรรมะชุดหนึ่งซึ่งที่จริงเราก็คุ้นๆกันนะครับก็คือหลักของพรหมิหารซึ่งเป็นอารมณ์ของส ม, มะถะชุดหนึ่งคือส ม, มะถนะนั้นก็มีอยู่ตั้งสี่สิบอารมณ์แต่ว่าในที่นี้ก็ใครจะเสนอเรื่องพรหมิหารนั้นสี่ประการประเดี๋ยวจะมาพิมพ์หนังสือ เรื่องการลมาสูตรพูดไว้อย่างไรก็ในข้อความประสูตรนี้แหละแล้วก็มีเรื่องพรหมิหารอยู่ด้วยพระเจ้าทรงยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างไว้คนมีจุดยืนอยู่ที่การกระทำความดีด้วยการเจริญพรหมิหารนะสีประการเนี่ยเออมันจะเป็นผู้ชนะในโลกทั้งสอง คือสมมุติว่าผลบุญผลบาปไม่มีนโลกสวรรค์ไม่มีท่านผู้ดันก็จะอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันแต่ถ้าผลบุญผลบาปมีนโลกสวรรค์มีท่านผู้นั้นอยู่ดีมีสุขในชาติปัจจุบันด้วยแล้วก็ตายไปแล้วไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ด้วยก็ชื่อว่าเป็นผู้ชนะในโลกทั้งสองประกอบกับ สมัยปัจจุบันถ้าเราติดตามข่าวคราวเรื่องราวต่างๆเราจะพบเป็นความรุนแรงความขัดแยง้งการต่อสู้ ป, ป, ปราบ ป, ประหารเบียดเบียนปัส้ายกันไม่เว้นแต่ละวันคือยังนึกว่าถ้าเราจะเอามาเรียงเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นในโลกนำมาเรียงเนี่ยคือยังนึกว่าไม่เว้นแม้แต่หนึ่งนาทีนะฮะเตียวแต่วมัเกิดขึ้นที่ไหนก็ตา้ อขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกคือถ้าเราเหตุการณ์ต่างๆเหล่ า, า, านั้นมาเรียงกันเวลาเท่านั้นเกิดอย่างนั้นเวลาเท่านั้นเกิดอย่างนั้นอย่างอักษรวิ่งที่ปรากฏทางปุถุตรทัดเนี่ยโดยเฉพาะเป็นเป็นนับเป็นนาทีนะเวลามันห่างกันเป็นนาทีนาทีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้วาเหตุการณ์ทั้งหมดมาขึ้นอักษรวิ่งหรือแต่เราขึ้นอักษรวิ่งแล้วก็จะเห็นว่าสัตว์โลกนั้นเบียดเบียนกันจัก ประทุษร้ายกันจริงคล้ายๆตัวเองจะอยู่โลกชั่วนิรันดรนหรือช่วฟ้าดินสลายอะไรต่านๆหนึ่งไม่ได้มีใครที่จะมีความสำนึกสูงขึ้นจนเกิดการประนีประนอมการประสานประโยชน์แล้วก็อยู่ร่วมกันโดยสันติคือไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่มีน้อย แต่เมื่อเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนสร้างปัญหานี่มีน้อยแต่ว่าพวกนี้เขาเกิดมาคนเดียวเนี่ยเขาสร้างปัญหาป่วนโลกได้เนี่ยผู้คนเลวทั้งหลายมันก็เหมือนคนดีทั้งหลายนะเกิดมาคนเดียวก็สร้างสารร์พัฒนานโลกได้หลักการอยู่ร่วมกันที่ดีที่สุดก็คืออยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรด้วย อ, อยู่ร่วมกัน ด, ด้วยเมตตา ธรรมะที่พระเจ้ญญาทรงสอนในรูปของหน้าที่ก็ที่จริงมันก็เริ่มมาจากสีลข้อที่หนึ่งซึ่งยกตัวอย่างมาบ่อยๆนะคือมันไม่ใช่ซ้ำหรอกแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันซ้ำอยู่อย่างเงี้ยธรรมเทศนาที่ทรงแสดงก็แสดงซ้ำๆแสดงที่มนุษย์นยไม่แสดงที่ไหนเมื่อพฤติกรรมมนุษย์ซ้ำซากมันก็ธรรมะมันก็ซ้ำซาก ก็เป็นการสะท้อนมาจากพฤติกรรมของมนุษย์และต้องการจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกของมนุษย์ในขณะนั้นๆเรื่องโพรมิหารทั้งสี่ประการนั้นก็คือเมตตามีความรักใคร่ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัดืดนเนี่ยอยู่ร่วมกันโดยมีความสุขพื้นจริงพวกนี้มันขยายมาจากระดับศีลธรรมก่อน ย ข, ขยาไม่จากศีลข้อที่หนึ่งั่นแหละคือขยายมาจากศีลข้อที่หนึ่งโดยเห็นว่าศีลข้อที่หนึ่งในช่วงแรกมันเป็นศีลและที่จริงก่อนหน้านั้นมันเป็นกฎหมายอยู่นะเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยประฏิสลายต่อร่างกายประฏิสลายต่อชีวิตนี่ผิดกฎหมาอยอาญาแล้วไปถึงที่ประนีขึ้นมันก็กลายเป็นศีลศีลมันเป็นเรื่องสำนึกสำเนียกคือไม่ใช่ใครมาลงโทษเรา แต่เราสมนึกว่าไม่ควรทําแล้วก็ไม่ทําก็เรียกบ ก, กลัวบาปกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําเช่นนั้นแล้วก็งดเว้นไม่กระทําในชั้นต่อไปก็เป็นเป็นธรรมะคือแสดงเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเช่นพ่อแม่ลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยเมตตาพ่อแม่ก็มีเมตตากรุณามุติตาเบกขาต่อลกูก พ่อแม่เนี่ยก็เดินครบนะฮะก็เดินครบทั้งสี่ข้อสบายรูปตัวเองแต่ว่าที่ยุ่งก็คือกระจายไปหาคนอนิดไม่ได้แล้วในขณนะขณะเดียวกันเราก็เป็นสัตว์สังคมเราจะเดินเมตตาอยู่ในบงแคบๆเนะี่ยมันไม่ได้แร้เมตตามันต้องกระจายตามจุดที่เราเข้าไปสัมผัสตามกลุ่มคนที่เราเข้าไปสัมผัสในขณะนั้นก็ยังแนวในสมัย สุ ข, ขวะทยที่ท่านพูดไว้ว่าปลูกไมตรีจะรู้รางสร้างกุศลจะรู้รยไมยตรีก็คือเมตานั่นเองเมตตาเป็นมิตรเป็นไมตรีนะฮะก็เป็นเรื่องเดียวกันแม้แต่สี่เรยบเมตตาเหตุมันก็คือเมตตาทํายังไงจะสร้างความรู้สึกมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นจนมีพลังมากพอที่จะกระจัดความโกรธความมักาดพยาบาท การจองเวีนจองร่างจองฐานกันหรือเขาจัดพวกกรรมราคะความกำหนัดความต้องการในทางเพศกำหนัดเปรมะพวกความรักแต่ระดับความรักเนี่ยที่จริงมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเ พ, เพียงแต่ว่าถ้าเราพัฒนาขึ้นไปจนถึงจุดระดับเมตตาเนี่ยก็จะดีมาก เมตตาจึงทาหน้าที่ขจัดพยาบาทให้ใจเราก็จะเย็นเพราะคนที่ใจถูกกุ้มรุมด้วยความพยาบาทเนี่ยมันก็เหมือนกับคนเป็นโรคนะถูกโรคภัยฆ่าเจ็บเบียดเบียนสสทธิแทงเจ็บปวดสาหัสสาการก็จะปวดอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีส่วนมาแบ่งเบาความทุกข์ทรมาเหล่านั้น ทีนี้ถ้าเราเมตตาได้แล้วแสดงมาทางกายดังบาจาตรงนี้พูดถึงใจนะพูดถึงระดับความคิดหมายความพูดระดับอารมณ์เขาสมถะกรรมฐา น, า น, านโดยอาศัยตนเองเป็นศูนย์แล้วก็หาความเข้าใจคนหนึ่งเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันแล้วก็ตั้งใจเจริญเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขยายออกไปเรื่อยๆนะฮะตามที่เราสามารถจะทําได้อย่างน้อยในแวดวงที่บ้านใกล้บ้านเพื่อนบ้านใกลเ้เดินเคียงคนที่เราเคารพนับถือกันโดยคนที่เป็นมิตรสนิทสนมกันะะใดๆเลยขยายไปเรื่อยๆจนมีเมตตาแม้แต่คนซึ่งตั้งตัวเป็นศัตรูเราก็มีเมตตาได้ยังเมืก่อนไป ที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในรายการธรรมะในสวนก็ไปเจอกับนายกยูพุติกะสมาคมแห่งประเทศไทยกับท่านประธานองค์การพอซลอนะรู้สึกว่ารองนะฮะรู้สึกจะรองฉันก็ถามเรื่องการทำลายพระพุทธรูปของรัฐบาลตาลิบันที่อับกาณ์ในสถาน ว่าเราควรจะประท้วงไหมควรจะขอร้องไหมควรจะชี้แจงไหมบอกว่าทำมันทาได้แต่ไม่ทำเหตุประโยชน์หรอกเพราระพวกนี้เขาเป็นโจรพื้นเดิมเขาเนี่เป็นโจรมาก่อนแล้วก็ตีความศาสนานี่ก็ผิดคือไปอ้างศาสนาอ้างพระผู้เป็นเจ้ามาทําลายเนี่ยมันมันผิดง่ายๆนะ พระพเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้พิบาลโลกเป็นผู้รักษาโลกมันต้องมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ไม่เลือกหน้าถ้าพระเจ้าเป็นอย่างมีความแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาจะต้องห้ำหัน่นจะต้องเห็นฆ่าทำลายล้างกันเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับการเป็นผู้สร้างพราศาสนาเทวนิยมที่จริงเนี่ยคือถ้าเราคิดเป็นเอกภาพได้เนี่ยนะ มันก็น่ายกย่องอนะนะเจนว่าถีว่าทุกคนเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยกันแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรนี่มันก็เป็นฐานความคิดที่ดีเราจะมีการประนีประนอมมีการประสานประโยชน์มีการให้อภัยไม่ถือสาความกันได้แล้วก็บอกว่าทาไปเถอะแต่ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรจะได้ เพรในกรณีเนี้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนอกจากกุเบกขาคือถือว่าศัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขาต่อไปก็ประสบผลกรรมก็ เ, เองสมมติเราเขาประสบเราก็ไม่ต้องไปซ้ําเติมอะไรกเขาหรอกมันเขาเป็นไปตามกรรมของเขาเองเขาเลือกทางเขาเองเราไปตีโพยตีพายไปก็เท่านั้นนะ่ะปวดหัวเปล่าๆมันไม่ได้หรอกคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดไปก็เท่านั้นเองอย่าไม่ได้ประโยชน์อะไร และบางทีเนี่ยมันเหิมเกิมนะคือนึกว่าตัวเองมีความสำคัญมีคนมางอ้อมีคนมาขอร้องออดบอดมากๆโจร น, นิสัยโจรเนี่ยมันก็ออกมามากยิ่งขึ้ น, นจะทำลายช้าลงหน่อยแต่ว่าในสุดมันก็ทำลายอยู่นั่นแหละก็ปล่อยเข้าไปก็เป็นไปตามกรรมเขาทีนี้แนวของเมตตาเนี่ยมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ คือทํายังไงเราจะกระจายความรู้สึกเหล่าเนี้ยมุ่งดีหวังดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนเหล่านั้นเขาอาจจะมีภัยมีอันตรายประสบปัญหาแต่ไม่เกิดจากการกระทํา m ก็เราก็เป็นบุญแล้วนะคือจะไปคาดหวังอะไรมากก็ไม่ได้แต่ว่าเราไม่เป็นเหตุให้เขาเดือดร้อนเนี่ยก็พอแล้วเป็นความดีระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเราสามารถจะคือกูลเขาได้ทางกายทางวาจา ก, ก็ดีอีกระดับหนึ่ง และสามารถตั้งจิตปรารถนาที่จะให้เขาอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนมันก็ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งทีนี้มาข้อการุณาเนี่ยเราเห็นว่าเวลาเนี้ยมันมีแนวของการซ้ำเติมคนที่เขาผิดพลาดเนี่ยมากไปหรือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องทำใจเหมือนกันนะทำไมต้องกระโจนเข้าไปร่วมทำบาปกับเขา อย่างนี้ในกรณีของสวท่านหนึ่งเนี่ยนะคือจริงเทๆเราก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่ควรจะโดยสารไปทําบาปคือการมาด่าคนอื่นเป่าวปลาว่าเป่าป ล, าป ล, าปลาในแม้แต่ด่าหมาโจรมันก็มันก็ผิดนี่ยนะแต่สิ่งทั้งหลายในสุดมันก็เป็นไปตามกระบวนการของมันไม่ต้องกลัวหรอกอาจจะช้าหรือเร็วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายทํากรรมใมดว่าจะต้องเป็นไปตามกรรมของ เราไม่จำเป็นจะต้องขอโดยสารไปทำบาปกับเขาด้วยแต่ที่มันยุ่งเนี่ยคือเวลาคนประสบ ป, ปัญหาแล้วคนแทนที่จะจะเฉยๆเป็นอย่างน้อยเนี่ยจะกลับไปซ้ำเติมเขาแต่ถ้าเราทำใจให้ประกอบด้วยเมตตาได้เนี่ยเราจะเกิดการุณาทุกคนที่ประสบ ป, ปัญหาประสบทุกข์ภัยโรคส่วนใหญ่มันก็อยู่ตักลุ่มนี้ทุกข์ภัยโรค แล้วในขณะเดียวกันถ้าเราการุณาแล้วลงมือช่วยเหลือไปแล้วตั้งความปรารถนาไปแล้วก็หลุดพน้นจากความทุกข์แต่เกาไม่หลุดพน้นก็ไม่รู้เป็นไปยังไงแล้วครับว่าคนเราเมื่อก็มีการเป็นของคนโจรเขาก็เป็นไปตามกรรมเขาใจเราจะไปอยู่ที่อุเบกขาในจังหวะที่ควรจะอยู่ก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่เราเมตานั่นเองเขาประสบความเจริญก้าวหน้าความสาเร็จ ในภารกิจการงานเจริญในราบยรสันเสริญสุขเราก็มุติตาเขาอนุโมทนาสาธารกับเขาเราไม่จําเป็นจะต้องได้อะไรนะแตยความเจริญเติบโตของเขานั้นเป็นสิ่งบันเทิงใจของเราขอให้เกิดเป็นการอนุโมทนาแต่ว่ามุติตาที่มันทําได้ค่อนข้างยากนียเพราะว่าคนเรามันมีความริษยากัน จะดีเคยเด่นเคยดังขึ้นมามันก็ริษยาจะก่อนแล้วก็ได้อะไรอ่ะคือเขานี่ได้ลาบยศได้สันเถรได้รับความสุขเราไปริษยานี่ได้แต่ทุกข์เปิดวิธีมุติตาเนี่ยมันเราก็ได้สุขตามเข้าไปเราอาจจะไม่มีสมบูรณ์ในลาบยศสันเสริญสุขอ่ะแต่ว่าเราก็มีสุขเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีสุขที่เราไม่ริษยาเพราะริษยาเนี่ยเผาใจให้เกิดความรวร้อน แต่เวลานี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมุทิตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นธรรมะล้วนๆมันมีส่วนของการต้องการส่วนแบ่งอย่างคราวๆก็แต่ ง, งานใหญ่ๆพวกดารงดาราอะไร่าแต่งงานพูดถึงของชํารวยเนี่ยโอ้โหรวยจริงนะคนเ่าเนี่ยก็แสดงว่าคนไปก็ไปมุ่งที่ของชํารวยอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง พอไม่มีของจำรวยก็จะงุดหงิ่จะไม่พอใจแล้วแสดงว่ามันไปด้วยโลภะหรือว่าไปด้วยทิศยาทิศยาน่ไม่ไปหรอกแต่ว่าโลภะนี่อาจจะไปแต่พอไม่ได้จะกลายเป็นโทสะเห็นไหมมันมีปัญหาตังนั้นพอได้ก็อาจจะโลภะต่อคือน้อยไปเขาเอาไปฝากคนอื่น คือไม่ต้องดูอะไรอฮะแม้แต่นังสือซึ่งตามปกติคนไม่ค่อยอ่านแต่เวลาแจากเนี่ยผู้รับก็ต้องการได้มากกว่านั้นเพื่อรู้สึกว่าตัวเองได้เปรียบคนเนึยได้มากกว่าคนอื่นจึงเป็นปัญหาในภาคสนามอุเบขานั้นคือการขาจัดความรู้สึกในชีวิตประจำวันที่เวลากระทบอาร เราสังเกตว่าอารมณ์ที่มีปัญหาก็คือรักชังหรือยินดียินร้ายเราก็พยายามสํารวมระวังใจเราไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายคือไม่ให้เกิดความรักความชังในครก็ไม่มีอะไรก็เฉยเฉยเเพื่อๆๆรักษาคุณภาพจิตเอาไว้เพราะความรักไปถึงจุดหนึ่งถ้าเราคุมไม่อยู่ก็ต้องการครอบครองความชังถึงจุดหนึ่งคุมไม่อยู่ก็ต้องการทําลาย และทั้งสองอย่างมันเป็นบาปทั้งนั้นและไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งนั้นแล้วจนถึงก็ต้องการครอบครองบางทีก็คุมทิศทางไม่ได้ก็ครอบครองในทางที่ผิดเอาไปกันใหญ่เลยเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะในแนวของอุเบกขาเนี่ยคือเป็นการมองตามกระบวนการของกรรมขจัดความรู้สึก ยินดียินร้ายหรือรักชังหรือว่าแม้จะรักชังไปบ้างนะก็ย้ายมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็นึกถึงกฎของกรรมเห็นว่กฎกรรมตัวนี้ลงตัวทุกทีนะะคือซ้ําทุกทีเรามีกรรมเป็นของขรนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ใครทำกรรมบันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องไปผู้รับผลกรรมนั้นแล้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไปขจัดพวกอคติคือความลำเอียงด้วยความรักความชังเนี่ยถ้าเราไปสะสมรักชังไว้มากในสุดมันจะเอียงที่เห็นได้ชัดเจนว่ามนุษย์นี่ลำเอียงเคยตั้งสมมติฐานในนะักข่าวเขาเขาฝัง แกบอกว่าเป็นข่าวก็ต้องลงบอกไม่จริงหรอกเธอพูดเนี่ยเธอพูดอาอแต่ได้แต่ว่าเธอไม่รับผิดชอบคาพูดเวลาความชั่วของคนอื่นเนี่ยคุณเอามาพูดเป็นคุ้งเป็นแควเลยแล้วเวลาพ่อแม่ญาติพี่น้องเราผิดเนี่ยคุณเคยเอามาลงข่าวหรือเปล่าพวกพวกคุณผิดเนี่ยคุณเคยเอามาลงข่าวหรือเปล่าก็แสดงว่า น, นั้งคืออคติ มันไม่ใช่สื่อสารด้วยความสุจริตอะไรความเห็นเป็นความเห็นข่าวเป็นข่าวเนี่ยคือถ้าคุณคิดว่าต้องลงมันก็ต้องลงทุกคนทีนี้มันลงมันก็เป็นรายงานข่าวตามสถานการณ์ใกล้ๆกับรายงานภูมิอากาศรายงานอุณหภูมิรายงานลงผลหนาเรืองอะไรต่างๆตามที่มันปรากฏเป็นจริงไม่ไปเสริมความไม่ไปแย้งความ ไอเ น, นี่ยมันความรักความชังเนี่ยทำให้เกิดการลำเอียงที่เราเรียกว่าไม่เป็นธรรมอยุติดธรรมบางทีลำเอียงเพราะความกลัวหรือว่าเพราะความไม่เข้าใจเหตนนุผลเพราะแนวเจริญพรมิหารเนี่ยเขาคือยจเจริญไปตามจังหวะแล้วก็แผ่จิตไปในทิศตั้งปวงทิศเบื้องบนเบนื้องกลางเบื้องขวางเบื้องท้ายเบื้องขวาะอะไรตัวไหนเนี่ยในทิศตั้งหลายเนี่ย แต่ว่าตามปกติก็ในพระบาลีเนี่ยพระ้าจะพูดเรื่องทิศนะในทีต่ต้องปวงทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องบนทิศเบื้องขวาเบึ้งซ้ายเบื้องขวาอะไรแต่อะไรก็เอามาหมดแหละแต่ว่าแนวหนึ่งก็คือพูดแบบสรรพิตาคืสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าได้มีเวอย่าได้มีภัยอย่าได้เบียดกันอย่าได้อย่าได้เบียดเปียนกันอย่าได้ปัสุทธิ์้ายกันขอให้ศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงที่ประสบความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้ศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รีมีสุขแล้วก็ดํารงอยู่ในความสุขตลอดไปนะพอถึงจุดไหนเราทําอะไรไม่ได้นะเช่นตัวอย่างเนี่ยเช่นตัวอย่างสมมติว่าคนที่เรารักมากเมตตาเขามากแล้วเกาเกิด ไปขายยาบ้าถูกตำรวจจับสารตัดสินประหารชีวิตเนี่ยเราลองสังเกตแล้วทําอะไรไม่ได้เลยจะแผ่เมตตาให้เขาพ้นจากการถูกประหารชีวิตมันก็ทําไม่ได้จะกรุณาช่วยปล้นคุกก็ยิ่งใบใหญ่เลยทําไม่ได้จะไปแสดงความชื่นชมยินดีที่เขาถูกยิงป้าเลยยิ่งแย่ใหญ่เลยมันทําอะไรไม่ได้ทั้งๆังที่มันมีธรรมะเนี่ยทําไม่ได้แต่มีธรรมะที่ใช้ได้อยู่ข้อเดียวก็คือ เข้าเบียดขาพอเขาทําการบันไดไว้เขาก็เป็นไปทํากรรมของเขาก็ปล่อยไปทํากรรมอันนี้คือหลักการอย่างหนึ่งที่ว่ามันจนทางมันหมดหนทางที่จะไปทําอะไรแล้วถ้าขืนด้นดิ้นรนไปทํำข้าวเนี่ยแทนที่จะเป็นคุณเนี่ยมันจะเป็นโทษทางออกที่ดีที่สุดก็คือทําใจให้อยู่โดยเบียดขาเบียดขาก็คือเพ่งดูที่เพ่งพินิพิจนารณาดู แล้วว่าทาใจยอมรับความจริงตามกระบวนการของกรรมแต่ว่าทําได้นะสุขภาพจิตเราก็ดี ท, ท่าทีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือเมตตานั้นมีสัตว์ทั้งปวงเป็นอารมณ์กรุณานั้นมีสัตว์ที่ประสบปัญหาเป็นอารมณ์มุตตานั้นมีสัตว์ที่ประสบความเจริญรุ่งเรืองเป็นอารมณ์ อุเบกขานั้นมีสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมก็เป็นอารมณ์ก็แสดงว่าอุเบกพรหมิหารหนังสีประการ ใ, ใช้ทีละอย่างอย่างท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านอุปมาว่าเมตตาเหมือนกับบ้านทั้งหลังกรุณานั้นเหมือนกับห้องน้ํากับห้องอาหารคือใช้ในการบรรเทาทุกข์แล้วก็มุทิตานั้นเหมือนกับห้องรับแขกคือใช้ สันนาการบันเทิงรื่นรมชื่นชมยินดีกันอุเบกานั้นเหมือนกับห้องนอนถึงเวลาเสร็จภารกิจแล้วมันก็นอนเพราะการปรับใจอยู่ได้อย่างนี้ก็เป็นอาการของสมถะกรรมฐานแม้แต่เรารักษาใจโดยการไม่ต้องไปนั่งสมาธิอะไรเนี่ยจะให้ใจอยู่ด้ดยธรรมะเหล่านี้ตามเหมาะตางควรแ ก, กร่กรณีก็เป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานประการหนึ่งล้วฟังเท่าไหร่